ตอนมรคจิตวันที่15เมษายน2558 พิรกวักิระาพระคุณเจ้าคุณแม่จีกาเลนมิตรทุกท่านตอนนี้เราดึงเกมดึงเวลารอรอเวอร์ชันวันนี้นะเขากําลังทําอยู่ยังไม่เสร็จนะดูปาร์ตี้เราเป็นยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยเราก็ฉายสามเรื่องเรื่องแรกก็สงการนะเรื่องที่สองเรากําลังปฏิบัติธรรมเรื่องนี้พระครูขอพูดหน่อยหนึ่ง เอามาเปิดให้ดูเพื่ออะไรนะไอ้ท่านที่มาใหม่ยังเข้าไปในจิตไม่ได้หรือคนเข้าไปแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะใครเป็นคนลัมใครเป็นคนวิ่งใครเป็นคนตีลังกานะนะก็ยังไม่เคยฝึกโยคะเลยเข้าไปในจิตทำไมทำได้ผีเข้าหรือเปล่าเนาะถ้าผีเข้ามันทำอย่างนี้ได้บอกให้มันมาเข้าไปเยอะๆเนาะไปวิ่งโอลิมปิกจะได้แข่งได้ที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่า i n s ซ d e out ข้างในสั่งข้างนอกชีวิตนี้เราไม่ต้องฝึกโยคะไม่ต้องฝึกวิธีไล่ลําลเนี่ยเราไปเอาโปรแกรมในอดีต ท, ที่ฝึกมาแล้วเนี่ยนะมาต่อยอดนะอันนี้คือเป็นปัญญาเดิมของเรานะทุกคนไม่เหมือนกันเห็นเขาทําจะไปทําตามเขานั้นมันเป็นแค่องค์วิชาเหมือนเราไปฝึกโยคะฝึกไทเก็ตเขาก็สอนเราทีละท่าทีละท่าเราก็ได้เท่าที่เราเรียนที่เราฝึกมันมีข้อจํากัดของมัน แต่ถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจิตเขารู้ดีว่าร่างกายเวลานี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะมีบกพ่องอะไรควรจะใช้โปรแกรมไหนเนี่ยมาแสดงเพื่อจะรักษาร่างกายนี้ด้วยในขณะเดียวกันเขาก็ได้เจริญมรรคจิตนะเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเขาไม่ได้แยกส่วนเรียนวิชามันเป็นโฮลิสติกนะมันเป็นบูรณาการนะก็เอาให้ดูว่า นี่คือคาว่านานาจิตตังก็คือว่าแต่ละดวงจิตไม่เหมือนกันนะลูกฝาแฝดเกิดมาดี a อนเอเหมือนกันคนนี้ขี้แยคนนี้ไม่ขี้แยคนนี้ i อคสูงคนนี้ i อคต่าคนนี้แข็งแรงไม่แข็งแรงเห็นหใครเป็นตัวกาหนดนะในดีเอนเอนั้นมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าโปรแกรมดีเอนเอในั้นทำไมมันต่างกันนะอันนี้เราก็ เข้าใจข้อข่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องผีเข้าเรื่องเข้าทรงเรื่องสะกดจิตมันเป็นเรื่องจิตล้วนๆเลยนะก็จิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธมรรคบางคนไม่เข้าใจคืออะไรคือทางเดินเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพน้นนะมันมีมรรคภายนอกมรรคภายนอกก็คือว่าวิถีชีวิตเรานะต้องทานศีลภาวนา การให้ทานเป็นการฝึกให้เรามีเมตตาสลัดความโลภความปีนีออกนะอันนี้เราเอาไซน์อินพฤติกรรมข้างนอกเพื่อเปลี่ยนนิสัยข้างในนะกิเหลวกันไม่ยอมให้ให้นะมันไม่ยอมให้อภัยให้เมื่อเราให้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นข้างในมันก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามัคคจิตอันนี้เรียกว่ามัคภายในเป็นเรื่องจิตล้วน จิตมันมีโอกาสมาเดินทางต่อมันจเจริญมากนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตแล้วทําทข้างนอกก็ช่างก็เพื่อเปลี่ยนจิตข้างในจิตปัจจุบันนะ่ะนะเพราะว่ามันมีกิเลสมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมให้อภัยเราก็ฝึกต้องฝืนกิเลสนะฝืนได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ถ้าเขาไปจิตภายในแล้วเป็นของเก่าเราเนี่ยนะไม่เคยฝึกโยคะมันทําให้เราฝึกเป็นนะเราเจ็บ มันไม่เจ็บมันทําต่ออันนี้คือใช้พลังจิตอันนี้เรียกว่ามัคคจิตนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตเราจะทำข้างนอกเปลี่ยนข้างในทั้งหลายท่างเอาเป็นว่าเพื่อปลดปล่อยให้จิตเราเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจเกิดหลุดพ้นจากการปรุงแต่งอันนี้เรียกว่ามัคคจิตนะให้ทุกคนเข้าใจว่าเอ๊ะที่เราแสดงออกเนี่ยบางคนบอกว่ามันวิ่งมันวิ่งถามว่าใครวิ่งมันนั่นคือใข่เห็นไหม มันสั่งให้เราทำโยคะนั่นแหละทำท่านน้นท่านี้เราไม่เคยทำเลยนะมันนั่นคือใครนะผีหรือเปล่ามันมาเข้าทรงเองเรารู้ตัวตลอดนะก็อันนี้ต้องมาลิ้มรสต้องปฏิบัติเองมันเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตโพวินยุหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอันนี้เข้าๆนะเรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามเนี่ย พวกครูติดตามโลกตลอดการว่ารู้ธรรมเนี่ยไม่ได้ไปว่ารู้บาลีรู้หนังสือรู้ตำรานะไม่ใช่รู้ธรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าโลกใบนี้มันกาลังเกิดอะไรขึ้นนี่คือรู้ความจริงว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นชีวิตผู้คนทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรอย่าไปเอาธรรมะเมื่อสมัยพุทธกาลสมัยโบ ร, ราณมาพูดกันมันคนละเรื่อง สิ่งที่มันเหมือนกันเราทุกสมัยพุทธกาลกับทุกตอนนี้มันเหมือนกันคือความอยากอยากทั้งนั้นแหละแต่อยากไม่เหมือนกันทุกวันนี้เราอยากได้วัตถุเห็นมประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไงแล้วแถวนี้แถวชนบุรีเราก็กาลังจะเป็นแบบนั้นกรุงเทพกำลังจะเป็นแบบนั้นนะมันไม่ใช่หมอกมันเป็นควนันพิษ คุณไยจิ้งเนี่ยเขาเป็นผู้สื่อข่าวเขามีลูกน้อยเกิดมาก็เป็นเนื้องอกแน่นอนทุกคนต้องรับลู ก, ลกเห็นไหแล้วบงเอิเขาเป็นผู้สื่อข่าวก็มีพื้นเขามีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วเรื่องมนภาวะเขาก็เลยวิจัยอย่างเขาลงทุนหนึ่งล้านเหยียของของจีนนะก็หลายล้านบาทเหมือนกันเนี่ยเพื่อทำสารคดีนี้ เพราะเขาลักลักลูกเขาเขาเห็นทุกข์นะเขายังวิจัยเจาะลึกๆแล้วเขาบอกว่าเห็นไหมเขาลาออกจากงานเขาไม่เอาอนาคตเขาจะเอาชีวิตลูกเขาแล้วสุดท้ายเขาสรุปว่าเขาไม่ได้กลัวตายแต่ตาเบยที่มันยังอยู่เนี่ยเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้เขาไม่เอาอนาคตเขาจะเอาชีวิตแต่ตอนนี้จีนเนี่ยถูกบีบตอนนั้นเขาเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ดีๆนะ เขาจนท่วนหน้าเขาจนอยู่ดีๆแต่เราบีให้เขาเปิดประเทศเมื่อเขาเปิดแล้วเนี่ยตอนนี้เราไปด่าเขาว่าเขาทำลายมลภาวะเขาบอกว่าใครบอกให้เขาทําแบบนี้เมื่อเขาเปิดประเทศแล้วประชากรเขาพัน400ี่ร้อยล้านคนถ้าเขาไม่ทําแรงๆเนี่ยมันไม่พอกินแล้วเขาทำสำเร็จริงๆ30สิปีนี่เขาแซงญี่ปุ่นเขากำลังจะแซงอเมริกาแล้วในแง่ตัวเลขเศรษฐกิจ แต่ในแง่ชีวิตมันเป็นแบบนี้เอาไหมเห็นไหมเราจะ อ, าอนาคตอนาคตของเราหมายถึงว่า GDP หมายถึงรวยขึ้นจีนรวยจริ ง, รงๆเขาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ๆเอเมริกาเอาเมริกาเป็นหนี้จีนมากที่สุดในโลกตอนนี้นะและวิถีชีวิตเป็นอย่างนี้ยังไงหลายปีก่อนพวกคณะศูนย์เรามีโอกาสไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวจีนนะ พ่อครูเห็นอารมณ์ของคนที่นูน่นอดีตหลายสิบปีพ่อครูก็เคยไปคนจีนนอบน้อมถ่อมตนเพราะเขาจนเขาต้องอาศัยจีนพ้นทะเลส่งเงินไปให้เขาแต่ไปเที่ยวนี้คนละเรื่องเลยอาหารการเราขึ้นเรือขึ้นรถขึ้นอะไรเนี่ยเขาช้าได้ไหมไม่ได้พเพราะเรือจอดปุ๊บมันไล่กันก็มาชนเอาสวอของเราล้มลงไปเขาไม่มองด้วย จเจริญแบบนี้เอาไหมทุกคนเครียดหมดเพราะใครเร็วกว่าหมายถึงคนนั้นได้นะอารมณ์ก็เครียดมนภาวะก็เป็นแบบนี้นะมะเร็งเยอะมากภูมิแพ้เยอะมากโรคเครียดเยอะมากเห็นไหมเราไม่ได้จะเอาความจเจริญจะเอาอนาคตเราไม่เอาชีวิต น่ากลัวมากนะไม่ใช่เรื่องทำเล่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งทำให้โลกร้อนมันคล้ายเป็นกรีนเฮาเอฟเฟกต์แสงอาทิตย์ส่องเข้ามามันตีออกไม่ได้เขาเรียกว่าอินเดโ e มันอยู่ในโดมนะเหมือนเราอยู่ในเตาอบอะ่ะเหมือนเราอยู่ในไมโครเวฟนะชีวิตเราอย่างนี้เนี่ยเออเราจะอิสระได้ยังไงเราถูกกักขังโดยไอ้มนภาวะหายใจเข้าหายใจออก ไม่หายใจได้ไหมไม่ได้พระพุทธองค์ไม่ได้ตัดถึงเรื่องลมหายใจตัดถึงเรื่องอนาปัญจิตสมัยก่อนเอาลมหายใจนี่มาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสตินะทุกวันนี้ลองไปเอาลมหายใจที่ ท, ที่ที่ประเทศจีนมาเจริญสติอยู่ทําได้ไหมนะไปสูตรสารพิเษเข้าไปเป็นมะเร็งพระองค์ตัดเรื่องปัจจัยสี่ทุกคนต้องมีปัจจัยสี่นะ ที่อยู่อาศัยอาหาร เ, าเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคนะอันนี้ต้องสแสวงหาถ้ามีแค่นี้เราก็อยู่ตามอัตภาพได้แล้วไม่เดือดร้อนมีความสุขตามอัตภาพนะพระองค์ไม่ได้พูดถึงลมหายใจเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อหาแต่จากนี้ไปลมหายใจเป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์โดยฝีมือเราทาร้ายมันเองเห็น ไ, ไหม เราไม่กินข้าวสักสามวันหวันหรือว่าถ้าเราฝึกกรรมาฐานหเดือนก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าไปในฌานปุ๊บนี่ไม่ต้องใช้พลังงานอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่หายใจสามนาทีนี่เราตายแล้วตอนนี้เราหายใจหายอะไรเข้าไปเราจะหายเอาออกซิเจนเข้าไปกัแต่ตอนนี้มันเป็นออกซิเจนหรือเปล่านี่แหะกำลังแข่งกัน G D P เจริญเจริญสร้างโรงงานแข่งกันอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะมันรุนแรงขึ้นทุกวัน พวกครูทําให้เราดูโลกอย่างแจ้งแจ้งว่าโลกตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันบีบให้เสรีไงบีบเสรีนะแล้วแข่งกันว่าใครจะก้าวหน้าตัวเลขมากกว่ากันแต่ละหนึ่งจีดหมายถึงการทําลายสิ่งแวดลอ้อมการใช้พลังงานทุกอย่างเนี่ยทำสร้างเขื่อนเนี่ยเห็นไหมเขื่อนเราอยู่เหนือเขื่อนนะถ้าเดินลงไปลบริมเขื่อนนี่เรียกว่าเขื่อนสิลินทอนสมัยก่อนนี่เป็นป่าทึบต้นไม้ใหญ่ขนาดเสานี่เลยนะ ใหญ่มากตอนจะ ก, กั้นเขื่อนนะพวกขาไม้ น, นพวกลงเรื่อยเค้าก็ตัดๆๆๆๆๆตัดป่าตรงที่พวกคูอยู่เนี่ยเคเรียกว่าหนองสี่เหลี่ยมเป็นที่ช้างมากินน้ําชาวบ้านไม่กล้าไปอยู่นะถ้าแค่ไม่มีพลังมากได้อยู่ไม่ได้คือมันอุดมสมบูรณ์มากแต่เนื่องจากต้องสร้างเขื่อนกักน้ําเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้า เพื่อไปป้อนอุตสาหกรรมเราคิดแต่เรื่องเราจะได้เงินแต่เราทำลายสิ่งแวดล้อมหมดทีนี้ไอ้ป่าไม้ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือผลิตฝนเราไปทำลายไอ้เครื่องมือผลิตฝนแล้วไปสร้างเขื่อนมารองรับน้ำฝนความสมดุลมันไม่มีแล้วเวลาแ้งก็แรงเวลาท่วมก็ท่วมเพราะมันไม่มีต้นไม้นะเพราะคูมายี่หกปีก่อน อำเภอศรินทรอนยังไม่ตั้งนะอีกสองปีเขก็ตั้งเป็นอำเภอเป็นอำเภอรแรกในประเทศไทยซึ่งไม่ต้องผ่านเป็นกิ่งอำเภอเพราะสมเด็จพระเทพประทานนามชื่อศรลินทรก็เลยเป็นอำเภอศรลินทรทีนี้พระครูมายุ่ใหม่ๆเนี่ยชาวบ้านก็มุดน้ำนะมุดน้ำออกออกออกซิเจนลงไปดำน้าลงไปแล้วก็ ไปมัดไอ้ซุงต่างๆเนี่ยก็เอาถังลมเนี่ยดึงมันขึ้นมานะเพราะตอนนั้นลงเลื่อยมันขนไปไม่ทันเพราะคูเห็นไม้ใหญ่ขนาดนี้นะยาวสามสี่สิบเมตรเลยตรงเลยนะสวยมากนะตอนนั้นก็ขนอยู่หลายปีเหมือนกันนะพอมันหมดแล้วก็ไปมดุดไปเรื่อยไอ้มันตายยืนต้นก็ไปเรื่อยอันนี้อีกหลายปีเหมือนกัน สมัยก่อนเนี่ยเขือนซิลินทรน้นําลดต่อผุดตอนนี้ต่อผุดไม่มีละไอ้ต่อ น, นั้นอ่ะมันเป็นที่หลบซ่อนของปลามันเป็นปะการังปลาส้อยปลาแก้วที่นี่เยอะมากสมบูรณ์มากนะกลางคืนก็ตักขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่ามันลากอวนไม่ได้ไงมันถูกต้นไม้มันก็เลยที่หลบซ่อนแล้วเมื่อปลาแก้วเนี่ยมันสมบูรณ์มันก็เป็นอาหารปลาใหญ่ปลาฉโลตัวบอกใหญ่เลยเพราะครูมาเห็นหมดนะสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้ศูนพันหมด เอาละเลื่อยหมดแล้วเนี่ยไม่มีตอผุดแล้วทำยังไงตอนนี้ก็มุดลงไปขุดลากถอนโคนนมาทำเฟอร์นิเจอร์ประการลังหมดแล้วเห็นไหมมนุษย์เราทำลายล้างเพื่อจะมาเพิ่ม GDP และต่อไปเราจะไม่มีปลากินสมัยก่อนในน้ำมีปลานในานามีข้าวตอนนี้ในน้็เริ่มจะไม่มีปลาแล้วในานาก็เป็นข้าวเทียม ข้าวซึ่งเร่งปุ๋ยเคมีทำลายหน้าดินหมดและเราก็ไปกินอาหารที่เราใช้สารเคมีมาเพิ่มสารพิษให้กับเราเพื่อจะแลกเป็น GDP น่ากลัวนะและถามว่าเกมนี้หยุดได้ไหมไม่มีทางอย่าว่าจะใช้จริงเลยเป็นตัวเล็กๆแต่แค่จุด ป, ประกายก็ดีนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ แกขึ้นเว็บไซต์ของแกในวันเดียวหนึ่งล้านคนไปเซิร์ชนะสองอาทิตย์200รล้านคนรัฐบาลจีนตัดทิ้งเลยเพราะกลัวเสียภาพพล ด, ดูทีเพื่อป้องกันว่าจะได้ทำลายกันต่อโดยที่ไม่ห่วงว่าลูกหลานตัวเองจะอยู่อย่างไรเห็นไหมเราจะเอาอนาคตเราไม่เอาชีวิตแล้วสุดท้ายเราหลอกตัวเองไม่ได้หรอก แต่แล้วสุดท้ายกรรมนี่จะตามสนองพวกที่มีอำนาจที่จะทำอย่างนี้เดี๋ยวลูกหลานเธอต้องเป็นมะเร็งนะพะ่อครูเรื่องนี้มาชี้ให้ดูว่าหลายปีก่อนนักวิชาการมาที่นี่มาสัมภาษณ์พกก่อครูบางคนรู้ประวัติพวอครูเคยเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอะไรๆก็ช่างเอ๊ะมาอยู่ในป่าทำไมเออหนึ่งเป็นบ้าไหมสองผิดหวังอะไรหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เขากถามตรงๆเลย นะสมัยก่อนเขาเรียกว่าอาจารย์บัญชาอาจารย์บัญชามาอยู่ที่นี่ได้อะไรทุนนิยมมันถามทามแล้วได้อะไรก็บอกได้อยู่ไงมันก็งงนเนาะก็ได้อยู่ไงเขาทำไมไม่อยู่เมืองนอกล่ะสะดวกสบายอะไรก็มีหมดเห็นไหมบอกว่าเมืองนอกมันคล้ายๆสะดวกนะแต่มันไม่สบายอยู่ที่นี่สบายโดยไม่ต้องสะดวก เขาบอกยังไม่ชัดมันมันฟังไม่ขึ้นอ่ะทําะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่ามาค้ายาเสพติดไม่อยู่ที่นี่มาค้าไม้เถื่อนไหมในเขื่อนน่ะมันคิดแต่ว่ามันจะมาเอาอะไรอ่ะนะเห็นแต่ให้ให้ให้ทุกวันเนี่ยพราะครูนิดคําว่าทําบุญเนี่ยให้ให้หนิพระครูได้อะไรก็ได้ให้ไงเขาไม่เข้าใจหรอกแล้วทไมต้องให้ล่ะอยากรู้ลองให้ดู แล้วเราจะรู้อะเรารู้ว่าโอเป็นเจ็บมากเลยให้ไม่ได้เหมือนเราตัดเนื้อตัวเองให้เขานั่นแหละแต่คุณอย่าหยุดนะคุณลองให้ไปเรือยตัดเนื้อตัวเองเลยตัดตดตด ต, ตจนมันด้านตอนนี้ใครทำให้เราเจ็บก็ไม่ได้เห็นไหมการให้เนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ยอมให้เราไม่เคยทำให้เนี่ยเราไม่รู้หรอกรสชาติมันเป็นยังไงทีนี้เขาบอกว่ายังไม่ชัด เออเอาที่มันหยาบๆชัดๆก่อนเอาเป็นว่าพวกครูอยู่ที่นี่เนี่ยพวกคูอยู่รีสอร์ท <S <S 1> <S 1> ทุกวันเห็นไหมไม่ต้องไปหาเงินอยู่กรุงเทพจันถึงสุขอยู่กับมวลภาวะเสาทิศก็ไปซื้อรีสอร์ทอยู่แล้วรีสอร์ทแบบนั้นก็รีสอร์ทที่ว่ามีแต่ความเครียดเหมือนกันก็ไปเจอหน้าคนเครียดเหมือนกันหมดนะที่นี่ไม่ต้องไปหาเงินไงเอาเงินมาซื้อรีสอร์ทที่นี่อยู่รีสอร์ททุกวันหายใจเข้าออกก็บริสุทธิ์กินอาหารบริสุทธิ์ ถามว่ามีอะไรไม่ดีเหรอเขาเขายากที่จะเข้าใจเพราะเขาคิดว่าทําแล้วมันต้องได้อะไรก็ได้ไงก็ได้ทําให้แล้วได้อะไรก็ได้ให้ไงคือคือมันมันไม่เข้าใจหรอกเพราะเขาถูกสอนว่าเธอทํำว่าเธอต้องได้สิก็ได้ไงก็ได้ไงได้ให้ได้บุญไงคนไม่เคยทําบุญเขาก็ไม่รู้ว่าทําบุญไปทําไมหาเงินมาเกือบตายยังไปโยนทิ้ง ตอนนี้มันคุยคนละภาษาแนละ้วโอเคเอาภาษาเปรียบเทียบกันแล้วกันภาษาโลกกับภาษาธรรมตอนนี้เห็นนะคนที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้ที่เงินเขามากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังทุกข์อยู่เขายังทิ้งสิ่งแวดล้อมที่มลภาวะไม่ได้เพราะเขาห่วงเ็าิ้งงานไม่ได้เห็นไหมเออแล้วเขาดีไหมชีวิตเขาดีไหมเอาแล้วพวกครูเนี่เป็นบ้าล่ะ ทิ้งมันทั้งหมดเลยมาอยู่ในป่านี่ไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยพวกคุณมีสุขดีไหมพวกคุณไม่ได้ทุกข์อะไรเลยเนี่ยเห็นไหมถามว่ามันไม่ดีตรงไหนเห็นไหมยอย่างดีอย่างพวกคุณตอนนี้คุณทำํำเขาถามเด็กหกขวบนะเมื่อกี้เขาไชจิ้งเขาถามเด็กหกขวบว่าลูกเคยเห็นดวงดาวไหมบอกไม่เคยน่าเศร้าใจไหม มันมองไปท้องฟ้ามันไม่เห็นดวงดาวอ่ะเคาเห็นไป่าหินไหมเคยว่าเมฆขาวไหมมันบอกไม่เคยเห็นฟ้าไหมมันบอกเออเห็นฟ้าเป็นช่องช่วงแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมแบบนี้เราจะอยู่ไปทาไมนะคุณไฉจริงนี่เขาเห็นทุกเพราะลูกเขาเกิดมาก็เป็นเนื้องอกเขาจึงเห็นธรรมเขาจึงไม่ใช่ออกต่อสู้นะเขาลงทุนส่วนตัวเลยเนี่ยออกตรงนี้เนี่ยนะ รัฐสภาจีนเนี่ยต้านเลยลปิดเว็บไซต์เลยเพราะกลัวเศรษฐกิจเจงเลยอย่าว่าแต่คุณไฉ่จริงนะอเมริกานันอดีตประธานาธิบดีเอากอก็เคยทําเรื่องนี้มาแล้วรัฐสภาสหรัฐเนี่ยก็ด่าเลยลถามว่าทุนนิยมเขายอมไหมเขาไม่ยอมแน่นอนเพราะเขาขาดผลประโยชน์แต่เขาไม่รู้ว่าเขาได้ผลประโยชน์แล้วลูกหลานแล้วเขาตงเป็นโรคภัยไข้เจ็บดีไหมเห็นไหม ก็โจทย์วันนี้ถามว่าเราจะเอาชีวิตหรือเราจะเอาอนาคตโดยที่มีวัตถุเยอะๆแล้วก็วัตถุนั้นน่ะมันเกิดมาจากเราทำลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรของโลกแล้วเราจะเหลืออะไรให้ลูกหลานเราเรารักลูกหลานเราจริงไหมเรารักจริงไหมเราไม่รักเลยเราไม่ได้สนใจว่ามันจะอยู่ยังไงเห็นไหม ถ้าลูกเราเกิดมาเป็นรูปแบบลูกใช้จริงบ้างเนี่ยแล้วมีความสุขไหมมันคิดนอกกรอบไม่ได้กูว่ากูจะทำยังไงจะให้มันเงินมากขึ้นเนี่ยเขือนซิลลินทรนนี่ยสอนธรรมะพระครูชัดเจนเลยนะบามันก็หมดแล้วเห็นอันนี้เขาเรียกว่าขุดลากถอนโครนนะแตะสมัยโบราณแต่พระครูเห็นที่นี่จริงๆเลย จากต้นไม้ใหญ่ๆมันก็ตัดตัดจนเกี้ยงแล้วไอ้ต้นไม้สวยไม่สวยว้างยืนต้นกูก็มุดลงไปตัดไม่ใช่เขาไม่ขยันนะคนนี้เขาขยันมากไม่ใช่เขาขี้เกียจ น, นะเพราะเขาอยากได้แต่เขาทําการเกษตรในมีแต่ขาดทุนขาดทุนยิ่งทางําไปยิ่งขาดทุนก็จะไปขยันทำไมนะเขาก็ไปตัดไม้ตัดไม้หมดแล้วนี่ยอุตสาไม่ใช่มุดน้ําลงไปนะลึกๆนะ ปานานุา่ม ไ, ไปขุดดินขุดดินแล้วไปเอาลากมันขึ้นมานี่ยเขาไม่ขยันเขาทาไม่ได้นะแล้วก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์สุดท้ายเขายังจนเหมือนเก่าแต่สิ่งเรืองล้อมหมดแล้วนะก็มาถึงตรงนี้ก็ลอยฝังว่าเราอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังจะเป็นอะไรแล้วก็แข่งขันมวลภาวะไม่ดีก็ไม่พอเราเครียดกันไปหมดเมื่อเราเครียดแล้วเนี่ยพุงคุ้มกันโลกโดยธรรมชาติเนี่ย เหมือนรถยนต์นั่นแหละใส่กองน้ํามันใส่กองอากาศมันเปื้อนไม่เคยล้างเลยเนี่ยมันฉูดฉิตน้ํามันก็สําลักแหวนลูกสูบก็พังหมดเราเสพสารพิษเข้าไปมันก็ขับมาไม่หมดสารตกค้างนั่นแหละคือมะเร็งโรคภูมิแพ้กรุงเทพตอนนี้โรคภูมิแพ้เยอะมากมะเร็งก็ตามมาชีวิตแบบนี้มันมีความสุขจริงเหรอเห็นไหม สมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยเขาจนครับเพราะกูยีดปกปีมาเพราะกูเห็นเขาจนแต่เขาไม่ยากจนเขาจนอยู่ดีๆสังคมมากระตุ้นให้เขายากจนนะเราเข้าใจไหมยากจนมันคืออะไรจนเลยจนไปว่าไม่มีหรือมีน้อยไม่ได้แปลว่าทุกรวยไปว่ามีเยอะไม่ได้แปลว่าสุข แล้วตอนนี้เขาทำไมยากจนเอาโฆษณาชวนเชื่อเอาโทรทัศน์มานะักวิชาการกระตุ้นเขาว่าเฮ้ยมึงต้องใส่ปุย๋ยยันน่ห้อนี่มึงต้องเล่งถึงจะได้ผลผิดเยอะๆอา้าวก็ไปกูน้นี่ยิ่งถิงไปซื้อปุ๋ยซื้ อ, อยางมาฉีดมแมลงฉันจะฆ่าเธอฆ่าเธอเธออยา ก, กินของฉันนะฉันปลูกเกือบตายฉันจะฆ่าเธอฆ่าเธ อ, เอสุดท้ายมแมลงตายบ้างไอ้ที่ไม่ตายเพิ่มพรมคุ้มกันแต่คนปลูกตายคนกินตายแมะเร็ง แล้วยังเป็นหนี้ตอนนี้จากพัฒนาจากความจนกลายเป็นความยากจนตอนนี้ยากแล้วเป็นหนี้ไม่จ่ายไม่ได้ความยากจนมันเกิดจากสิ่งนี้เป็นเพราะใครรู้ไหมเป็นเพราะผู้รู้นักวิชาการต่างๆมาสอนให้เขายากจนเนี่ยไปเรียนอะไรก็ไปตีกรอบต้องคิดหลักวิชาการหลัวิชาการนะไม่งั้นเธอจะไม่งงเหมือนฉันโลกนี้ พังหมดเลยก็เพราะนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาการเป็นคนไม่ดีนะแต่ความคิดแบบวิชาการน่นมันตีกรอบทุนนิยมต้องการแค่นั้นให้เธอเป็นแค่เครื่องมือของฉันเธอเป็นแค่ม้าให้ฉันขี่แล้วไม่ได้เก่งอะไรเลยนักวิชาการแล้วพูดเสียงดังคนพวกนี้มีอำนาจจนทำให้โลกใบนี้เป็นยังไงละ่ะเห็นไหม อยู่ไม่ได้แล้วนะโอเคก็จบว่าเมื่อมนุ์ภาวะแบบนี้บวกกับเราเครียดโยครคภัยไข้เจ็บก็เลยตามมาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมหรืออะไรก็ช่างมันเกิดมาเรื่อยๆพ่อครูเคยพูดเมื่อ20กว่าปีก่อนมาจากอเมริกานะนะแล้วก็ช่วงหลังมีสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เคยมาเยี่ยมพ่อครู ครูบอกวิธีรักษาโรคที่ดีที่สุดเนี่ยคือป้องกันไม่ให้เกิดโรควิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่ดีที่สุดคือรักษาความสะอาดสะอาดจิตสะอาดร่างกายสะอาดสิ่งแวดลอ้อมถ้าสามอย่างนี้สะอาดนี่ไม่เป็นโรคส่วนโรคเวรโรคกรรมโรคอุบัติเหตุนี่ยอันนั้นตัวใครตัวมันเป็นกรรมแต่โรคที่ทําเราทําความสกปกแต่นี้สิ่งแวดล้อมเราหยุดไม่ได้แล้วไง เราเปลี่ยนความคิดแบบอุตสาหกันรมยอมได้ไม่ได้ตอนนี้เหลืออยู่สองอย่างเราต้องทําให้ร่างกายเราสะอาดจิตสะอาดสร้างภปมิคุมค้มกันอย่างน้นอยๆมันเสพมาบ้างมันก็ยังมีกําลังขับออกมีสองอย่างคือสะอาดจิตสะอาดร่างกายทีนี้สะอาดร่างกายนะเพราะสิ่งแวดล้อมก็เอาจะเอาบ้านเราก่อนแต่หลังจากออกนอกบ้านไปแล้วมลภาวะเต็มไปหมดอันนี้ก็ตัวใครตัวมัน ยิงมันเปื้อนเท่าไหร่ยิ่งดูต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแข็งแก่งเป็นเกาะป้องกันผ่อนหนักเป็นเบาพวกครูเห็นแล้วว่าพวกครูเปลี่ย น, มนไม่ได้ไม่ใช่เราลักชีวิตนะเหมือนคุณใช้จริงเขาบอกเขาไม่ได้กลัวตายหรอกในเน้นมันก็ตายแต่ถ้ายังอยู่อยู่เนี่ยเขาไม่อยากอยู่กับวิถีแบบนี้พวกครูก็เหมือนกันพวกครูถึงหนีมาอยู่ที่นี่ไงอย่าง น, น, น้อยชีวิตเราได้อากาศบริสุทธิทธ์ทุกวันเรามีต้นไม้ ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนเครื่องกองอากาศเครื่องหนึ่งนี่คือเราได้ชีวิตโดยตรงเห็หมั้ยที่นี่ยังโชคดีอยู่ในบริเวณแถวนี้ไม่มีโรงงานน้าฝนที่นี่ยังบริโภคได้พาะครัเอาไปกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเขาวิจัยแล้วยังสะอาดอยู่แค่กองปุ๊บก็บริโภคได้ แต่น้ำฝนตอนนี้ในเมืองใหญ่หญๆเนี่ยบริโภคไม่ได้แล้วนะมนุษย์ทำลายทั้งนั้นอันนี้เราได้ชีวิตเราได้อยู่รีสอร์ททุกวันเจ็ดวันต่อหนึ่งสั ป, ปดาห์ไม่ต้องไปหาเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อรีสอร์ทอยู่แค่นี้เอชีวิตเราได้ตรงๆนะก็ถ้าเรามีลูกเราจะให้ลูก อยู่แบบไหนให้มันเจริญและให้มันไปเสพมนภาวะไม่ใช่มนภาวะทางอากาศนี้นะมนภาวะทางเสียงะนะแล้วก็มนภาวะทางอารมณ์ขัดแย้งกันแง่งกันหรือเราจะเห็นลูกเรามีความสุขอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็บริสุทธิ์อันนี้ก็คิดเอาเองเรารักลูกจริงไหมนะทีนี้ก็จบอยู่ที่โลกเมื่อกี้เนี่ย เราทำได้คือว่าเราต้องทำให้ร่างกายเราสะอาดร่างกายมันเปื้อนเพราะอะไรเรื่องอาหารนะเรากินยาพิษเข้าไปเราเอาสูบบุหรี่เข้าไปเรากินเหล้าเข้าไปพราคูผ่านมาหมดแล้วไอ้พวกนีนะ้ถ้าไม่ใช่บุญเก่าก็ตายไปตายเหมือนเพื่อนพ่อครูเป็นมะเร็งตายหมดมนุษย์เราต้องอาศัยสี่อย่างนะ ต้องอาศัยสี่อย่างทำให้เราเกิดและทำแล้วให้เราดารงอยู่ต่อไปได้คือหนึ่งกรรมกรรมทำให้เราเกิดเป็นอะไรกรรมแล้วก็จิตเราต้องพึ่งจิตถ้าไม่มีจิตความมีชีวิตเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวรู้สึกเป็นตัวนึกคิดแลวอุตุอุตุถ้าในร่างกายเราคืออุณหภูมิโดยเฉพาะความอบอุน่นความร้อนเาผาผันนะทำให้ความอบอุน่น แล้วอันสุดท้ายก็คืออาหารเรากินอาหารดีสุขภาพก็ดีกินอาหารเลวมันก็เลวเนี่ยสี่อย่างนี้ที่มนุษย์ต้องอยู่ในกรอบตรงนี้ก็เห็นไหมมีกรรมกรรมเก่าให้เรามาเกิดกรรมปัจจุบันอยู่ที่ว่าเราจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเราจะกรรมทำกรรมชั่วง่ายมากเราจะสร้างอนาคตวาดฝังเยอะๆแล ทำลายตัวเองทางานแบบไม่บัญญะบัรญังแล้วก็เครียดอันนี้เป็นกรรมใหม่นะกรรมมันก็ส่งผลให้เราร่างกายเราเป็นยังไงใช่นไหมไม่มีเวลากินอาหารก็กินแฟตพุดกินไปกินไปกินไปเพื่อให้มันอิ่มเฉยๆแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ส่งผลข้างเคียงนี่คืออาหารแล้วก็อากาศเป็นแบบนีอย่างอย่างปักกิ่งอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมหมดแล้วนะ ทีนี้เราอยู่ได้ก็คือว่าเราต้องเพิ่มพลังจิตเรานะแล้วก็ลดกระแสกรรมอย่าไปสร้างกรรมชั่วนะสองข้อแล้วนะอาหาราเที่เราระวังด้วยเห็นไเราระวังกินอาหารระวังเชื้อโรคเข้าทางปากออกทางปากบางคนนั่งแล้วกลัวมากอาเจียนอาเจียนเห็นเราไม่ชอบอาเจียนเลย พาะคินเลยเราชอบเอาเข้าแซ่บแบอร่อยอ่อยนะถึงจะท้องอืดท้องร่วงบ้างก็ไปกินยามันไม่เป็นไรอร่อยใหม่แต่พอมันจะมันเบียงเบียงเบียงหมุนเขาล่อเขาล่อมันจะอาเจียนนี่กลัวกลัวกลัวกลัวมันออกกลัวเสียของจริงๆแล้วมันกำลังจะดีท็อกเรากินเชื้อโรคเข้าไปมันก็จะเอาเชื้อโรคออกทางปากทำไมไม่ให้มันออกเห็นไหม เราชอบเอาเข้าไงเราไม่ชอบเอาออกไงเอา เ, ย, เยอะๆให้ทานไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ไปก่ออยู่ตร น, นั้นแหละก็กิเลสเยอะๆกิเลสเยอะมันก็ทยานอยากเยอะก็ดิ้นรนขวนขวาเยอะสร้างกรรมใหม่เยอะเห็นไหมสี่อย่างนี้นะเราต้องระวังสี่อย่างนี้นะก็เราระวังกรรมกรรมเก่านี่แหละทําให้เราส่งมาเกิดระวังกรรมใหม่ เราทำดีๆทำชั่วๆแต่ที่นี่บางทีทางโลกนี่เราเป็นคนขยันเราเป็นคนสร้างอนาคตรับผิดชอบอนาคตทำงานขยันแข็งไม่กินไม่นอนไม่หลับนะ เ, เขาเรียกว่ากินน้อยใช้น้อยทำงานมากอันนี้สุดตรงนะกินน้อยใช้น้อยนี่ขี้เหนียวทำงานมากขี้โลกมันไม่ใช่ทางสายกลางคุณกินน้อยแล้วคุณจะเอากำลังที่ไหนไปทำงานมาก กินพอดีใช้พอดีทำพอดีนะอันนี้เนื่องจากเราต้องการเยอะไงเราก็ทำเยอะไม่บัญญะบัญญังก็ทรมานสังขารตัวเองไงอันนี้เป็นกรรมไงเห็นไหมเป็นกรรมแล้วเราไปเพิ่มกรรมใหม่ทีนี้มนุษย์เราั้าเกิดอยากได้มากๆเราก็มาสร้างอุตุเห็นไหมดินฟ้าอากาศเปื่อนหมดเห็นไมปลาตายหมดเลยเมืองจีน อุตุก็พังหมดเลยเราต้องพึ่งอุตุแต่เราทำลายอุตุอุณหภูมิในร่างกายเป็นยังไงมีแต่ความเล่าร้อนร้อนเกินไปเครียดเกินไปเห็นไมอาหารเป็นพิษกินอาหารแบบไม่ไม่ดูว่าอาหารที่มันเหมาะกับเรานะกินให้มันอิ่มเฉยๆเพื่อจะได้รีบทำงานอาหารก็เป็นพิษอีกจิตเศร้าหมองจิตเครียดไม่สี่อย่างนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะ แต่คนศูนย์เราเนี่ยสี่อย่างนี้สมบูรณ์เรายิ่งกว่ามาหาเศรษฐีอีกนะมาหาเศรษฐีทำแบบเราไม่ได้นะไม่มีเวลาหรอกมากิ้งเขาล่อเขาล่อมาเยงเช้าสายบ่ายเย็นเอาเวลาที่ไหนล่ะเห็นถ้าเราไม่ภูมิใจในความเป็นเราเนี่ยอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเนาะสี่อย่างนี้เรามีครบเลยไงจะเอาอะไรกันอีก นะพวกครูก็เกินๆนะเออทีนี้เรื่องอาหารนเนี่เนื่องจากว่าพวกเราเป็นชาวเมืองเดี๋ยวต้องมอบภาระให้คุณหมอบัญชาเนี่ยมาเสริมตัวนี้เพราะเราอยู่ในเมืองบางทีเราไม่มีเวลาเราเลือกไม่ได้ที่นี่เนื่องจากคนเราเยอะขึ้นนะพวกครูขยายศาลาแล้วธรรมดาโครงการสร้างอะไรไม่มีแล้วก็หลายคนต้องการเน่ยเมตตาโอเคเมื่อศาลามันใหญ่ขึ้นโอเคเปิ ด, ดอีกโครงการหนึ่ง เพื่อให้มันสมดุลครัวเล็กเกินไปก็ขยายครัวนะทีนี้อาหารเรามันยังไม่สมดุลนะจากงานใหญ่นี้เสร็จแล้วพ่อคูก็ไปดูเรื่องอาหารนะไปดูเรื่องอาหารชีวภาพอะไรต่างๆนานานะเอาแหล่งน้ําอะไรขึ้นมาให้มันสมบูรณ์อีกทีหนึ่งแค่นี้ไงชีวิตเราก็อยู่อย่างสุขสมบูรณ์แล้วไงทําไมต้องไปดิ้นโนหาอะไรเยอะๆวันนึงจะกินอะไรเท่าไหร่ เรากินอาหารที่เป็นประโยชน์อย่างไรมีลือศีตนหนึ่งอ่ะเคยมากับมหาสีภัยอาจารย์มาเะเถียงกันอยู่ด้านนั้นแหละเป็นลือศีดีเป็นพระดีมาถามพระครูพ่ะครูว่าเป็นลือศรีดีพระดีเป็นอะไรก็ไม่ดีเหวี่ยงทิ้งเป็นก็คืออัตตาไงไปเป็นทําไมล่ะเออส่วนสมมุติเขาเรียกอย่งนั้นเรียกไปแต่เราอย่าไปหลงว่าเราเป็นนะเออพรอครูกินเจไม่ไหม พ่อคูกินบังสวนเวลาไม่บอกไม่พ่อคูคูกินเนื้อสัตว์ไม่บอกไม่อีกเขางงแล้วพ่อคูกินอะไรกินอาหารอย่ามากเรื่องกินอาหารที่มันเหมาะกับเราไม่ใช่เดินไปหิ้วเจไปด้วยเขาไม่เรียกว่างนะเาเรียกว่าหิว้วกินก็กินอย่ามากเรื่องอย่าไปตั้งชื่อมันได้ไหมบางคนทาตุเขาเนี่ย หมาะกินกินผักก็กินไปบางคนท่านเขากินเนื้อสัตว์บ้างก็กินไปอย่าอย่าไปกินกินอะไรก็ช่างถ้ากินมากเกินไปเนี่ตายนะกินข้าวมากเกินไปก็ตายนะเอามันพอดีกินอาหารอย่าไปตั้งชื่อมันได้ไหมพอตั้งชื่อว่าเป็นลัทธินิกายล่ะแล้วไปหลงว่าตัวเองนี่บริสุทธิ์กินเจไม่ส่งเสริมฆ่าสัตว์เพราะว่าคุณต้องปลูกข้าวกินเองนะเขาบอกทําไมคุณกินข้าวที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงคุณจะแกล้งไม่รู้นะ น้าคุณก็ดื่มไม่ได้นะมันมีจุลินทรีย์มีชีวิตอ่ะฤาษีเขาได้ยินเขาเหรเขาบอกสุดยอดเลยพูดเรื่องธรรมดาบอกสุดยอดก็กินอาหารเป็นเรื่องธรรมดามันสุดยอดตรงไหนเห็นไหมพอถึงอาหารแล้วทีนี้ต้องมอบภาระให้คุณหมอละเป็น like คุณหมอมาเที่ยวนี้เห็นไหมไปบรรยายทำไมพวกครูรู้ใช่ไหม บรรยายที่อุดรลโรงพยาบาลบรรยายนั่นมีทั้งสา2สี่อเอามาถวายทำบุญกับพบครูนะวเงินค่าเขาบรรยายค่าเดินทางเนี่ยเอามาทำบุญหมดวันนี้ก็เลยต้องมาทำบุญอีกมาให้วิทยาทานนะโอเคนะฟังคุณหมอเขาให้วิทยาทาน กราบน้ำพระสการพระคุณเจ้าคุณแม่ชีนะครับแล้วก็กราบ พ, พ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงและสวัสดีญาติธรรมทุกๆ ท, ท่านนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปตามสมควรก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่มีโอกาสที่ พ, พ่อครูได้ให้โอกาสมาให้ทานธรรมทานวิทยาทานนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปกติพูดให้มันเป็นปกติ ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับก็คือชื่อนายแพทย์บัญชาแดงเนียมก็จบแพทย์สัต์บัณฑิตจากสงขลานครินเกับยี่สิบปีละแล้วก็ได้ประกาศ น, นิยบัตชั้นสูงการปลูกข่ยเซลล์บัดเซล์ทียมมันนีเรื่องอาหารบำบัดและสิ่งแวดล้อมบำบัดนะครับที่ออสเตรเลียเมืองไทยไม่มีสอนเพิ่งจะมีช่วงหลังนี่นะ แล้ก็เรื่องคีเลชั่นบําบัดก็คือล้างพิษโลหะหนักได้ทั้งออสเตรเลียแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็บําบัดด้วยอาหารทางหลอดเลือดแล้วก็วิทยาศาสตร์ชะลอวัยนะครับก็เคยอยู่แผนกสัญญากรรมทํางานเป็นสัญญาแพทย์อยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเลยขายการสมาคมเซลล์บำบัดไทยเป็นอุปนายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นเป็นกรรมการสมาคมสถาบันพลังกายที่เพื่อสุขภาพกรรมการวิชาการสำนักแพทย์ทางเลือกอาจารย์ พิเศษสำนักวิชาเวชศาสตรส์ชลอวัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์พิเศษวิชาการชลอวัยธุรกิจบัณฑิตแล้วก็อาจารย์พิเศษวิทยาแพทย์ศาสตร์จุฬาพรธรรมศาสตร์อันนี้จะใหม่หน่อยนะครับอยู่ในคณะแพทย์สอนปัญญาโทปัญญาเอกเรื่องของ integrative medicine ภาคอินเตอร์ถ้าใครสนใจจะไปเรียนต่อก็เรียนเชิญนะครับเอาเป็นว่าเราต้องรู้จัก ร, ร่างกายเราสักนิดหนึ่งก่อนร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุต่างๆนะครับ ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันไม่ว่าจะตั้งชื่อมันว่าอะไรก็ตามมันก็คือประจุของอิเล็กตรอนโปรตอนจักพิจารณ์น้ำน้ำที่อยู่ใกล้ๆท่านเนี่ยเราจับต้องได้ไหลได้แข็งได้ละเหยได้เป็นไอ้น้ำได้มันก็คือธาตุไฮโดรเจนออกซิเจนถ้าเราพิจารณาลึกไปอีกหน่อยหนึ่งไฮโดรเจนออกซิเจนก็จะประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนเป็นประจุพลังงานซึ่งไม่มีตัวตนที่แน่นอนนะครับเป็นพลังงาน ไอไต้ตายถึงลงไปลึกๆๆๆจะเจอแต่ความว่างๆๆๆไอ้ประจุอิเล็กตรอนเขาก็เรียกว่าอนุภาคฮิกส์เขาไม่รู้มันคืออะไรเขารู้มันเป็นแรงหน่วงๆโปโตอนก็เหมือนกันเขาเรียกว่าควาร์กนะครับนักวิทยาศาสตร์ถ้าลงลึกไปเรื่อยๆถ้าไม่มีจิตเปิดจะบ้าถ้าจิตไม่เปิดว่ามันไม่เจออะไรเลยมันคือความว่างเปล่าแต่ในเมื่อมันเป็นประกอบมาเป็นกายแล้วเราก็ดูแลมันนะครับ เราก็เข้าใจว่ามันคือพลังงานนะมันก็คือพลังงานที่มีประจุไฟฟ้าวิ่งเข้าวิ่งออกนะจะใส่อาหารเข้าไปจะ อ, อะไรก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องสมดุลอยู่ที่ประมาณแค่นี้นี่คือมิลลิโวลต์คือค่าทางไฟฟ้าถ้าพลังงานมันขาดนะครับร่างกายก็จะพยายามเติมให้มันแต่ถ้าเติมไม่ได้มันก็จะกลายเป็นความเสื่อมแต่ถ้าพลังงานมันเกินอันนี้เรื่องใหญ่ นะครับอย่างที่สารพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เข้ามานี่คือพลังงานเกินถ้าเกินทีเดียวแรงๆเซลแตกเราตายแต่ถ้าเกินน้อยๆทีละหน่อยทีละนิดเซลเราจะปรับตัวจะขยายขยายขยายบวมเรียกว่าการอักเสบถ้าใครสงสัยว่าเป็นยังไงลองใช้พลังงานแรงกระแทกตีเข้าไปที่แขนตัวเองจะเห็นเซลมันขยายมันบวม มันอักเสบนะครับแต่ถ้าค่อยๆอักเสบไปเรื่อยๆื่อยๆสมมติว่าพลังงานใส่มาจนถึงร้อยแปดสิบเอาไงดีชีวิตนี้ปกติก้าสิบเป็นร้อยแปดสิบแบ่งเป็นสองเซลล์เติมเติมเข้ามาอีกบ ว, วมอีกบ ว, วมอีกแบ่งเป็นสองเซลล์แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งกลายเป็นอะไรครับมะเร็งนะเพราะฉะนั้นพลังงานขาดคือความเสื่อมพลังงานเกนอักเสบอาจจะฝ่อหมดพลังเสื่อมหรือ ฟูเป็นมะเร็งมีแค่นี้ชีวิตความเจ็บป่วยมีแค่นี้ไม่ขาดก็เกินเพราะฉะนั้นการดูแลง่ายมากแต่ยากที่สุดขาดก็เติมให้เกินไปก็ออกก็คือการให้อาหารที่เหมาะสมให้พลังงานที่เหมาะสมนะครับจากพวกวิตามินสารอาหารต่างๆเกินไปก็ออกคือการล้างพิษหรือการดีท็อกซ์ ที่เราหิตกันณักันหนาแต่ไม่รู้ว่าทําไปทําไมทําเมื่อไหร่ควรจะทํานะครับเพราะว่าทุกวันนี้พลังงานมีแนวโน้มว่าจะเกินนี่คือผีมือมนุษย์ล้วนๆด้วยความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่บอกว่าโลกนี้คือโลกมนุษย์ใช่หรือไม่โลกนี้คือโลกของสรรพสิ่งนะครับไม่ใช่โลกมนุษย์ มนุษย์ในโลกนี้ยังปริมาณน้อยกับปลวกในจังหวัดอุ บ, บลราชธานีเสียอีกแถมเมื่อกี้ได้ยินแว่แววบอกมีใครเป็นพวกมันแล้วเรียบร้อยนะครับได้ยินแววแววมาแม้แต่มลพิษทางแสงเมื่อกี้พ่อครูพูดถึงมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงมลพิษทางแสงก็มีผลแสงที่เปิดกันสว่างสวัยนั้นรบกวนการหลั่งฮอร์โมนธรรมชาติ ที่เรียกว่าเมลาโทนินรบกวนการหลั่งฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนทั้งระบบรวนนะครับอย่างแสงในลาสเวกัสส่องสว่างไปไกลในทะเลทรายถึง200กิโลเมตรและนกในบริเวณนี้ไม่วางไข่นะครับและมลพิษแบบนี้ก็ส่งผลทำให้ยีนกลายพันธุ์ มีปรากฏการณ์นกนางนวนในอ่าวสิงคโปร์นะครับตัวผู้ขึ้นปี้ตัวผู้นะครับไอที่เดินตท้ๆๆตามเซ็นเตอร์พอย์นี่ไม่รู้มันโดนเฮฟวี่เมทัลโดนสารพิษเงนเข้าไปมากเท่าไหร่นะ <c oughs> นี่ไงน้าไปวิ่งสามจังหวัดชายแดนเนะาะพังควันจะได้ไม่โดนยิงนะครับใครทาใครทำมนุษย์ทั้งนั้น ส่วนการรักษาดูแลรักษาคือการปรับสมดุลการปรับสมดุลก็แล้วแต่จะใครจะนําเสนอวิชาอะไรขึ้นมาถ้าเขาสนใจเรื่องอาหารเขาก็จะปรับสมดุลด้วยสนใจเรื gameplay, ่องร่างกายเขาจะปรับสมดุลด้วยอาหารนะครับปรับสมดุลด้วยอาหารด้วยสมุนไนพรด้วยวิตามินถ้าเขาสนใจเรื่องของโครงสร้างเข า, าจะปรับสมดุลด้วยการนวดการจัดกระดูกนะครับก็แล้วแต่ศาสตร์ไครศาสตร์มันถ้าสนใจเรื่องกายและจิตก็จะเป็นเรื่องโยคะ นะเรื่องของการทำสมาธิอะไรต่างๆหรือสนใจเรื่องพลังงานล้วนๆก็เอาชี้กงเอาพลังงานแม่เหล็กไรกิหรือพลังกายที่พลังจักรวาลก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของการแพทย์สมัยใหม่หรือเป็นเรียกว่าแพทย์แผนตะวันตกตัวอย่างโรคความดันโลหิต ส, สูงไหนใครเป็นบ้างยกมือครับยกมือโชว์หน่อยไม่ต้องอาย ทีกลางวันยังไม่อายเลยเร็วไต้องกินยาลดความดันทุกวันแล้วหมอบอกว่าต้องกินตลอดชีวิตข้างหลังมียกนะครับต้องกินหมอบอกว่าอย่างนั้นไหมครับต้องกินตลอดชีวิตหยุดไม่ได้ความดันเป็นโรคจริงเหรอความดันโลหิตสูงเป็นโรคจริงหรือไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะครับเส้นเลือดเราเป็นท่อหัวใจเราเป็นปั๊ม มันอักเสบอะ่ะมันก็เป็นตะกลันจนรูเหลือแค่เนี้ยหัวใจเจ้าสีเฮ็ดจังไไดน้น้อถึงจะปั๊มให้พอที่เซลล์เราต้องการต้องปั๊มแรงขึ้นถูกไหมไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปกินยาเพื่อลดแรงปัม๊มหรือยาเพื่อขยายเส้นเลือดเพราะเซลล์ส่วนที่ต้องการออกซิเจนต้องการอาหารจะไม่ได้ไเลยเลยจะเสื่อมจะเป็นมะเร็งสมองจะฟอ นะครับเป็นอัลไซเมอร์หรือเส้นเลือดจะตีบเป็นไตวายหรือตาบอดแต่คนที่กินมาตลอดอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าหยุดโดยพลการให้ร่างกายปรับตัวทำความสะอาดตัวเองสักพักหนึ่งแล้วค่อยหยุดได้ดูความเช็คตัวเลขเป็นนิดหนึ่งเพราะนั้นความดันโลหิตสูงเป็นตัวเลขไม่ใช่ตัวโรคทุกวันนี้เรารักษาอาการรักษาเลขด้วยยาไปกดอาการเราไม่ได้แก้ไขอะไรเลย นะครับถามว่าแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรไม่ต้องเจ็บป่วยได้ไหมจริงๆแล้วได้นะได้นะเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ผมสอนอยู่นั้นไม่ได้แปลว่าอมาตะแปลว่าสุขภาพดีตลอดอายุไขนะครับตายทุกคนแหละนะภายในสองวันก็ตายแล้วไม่วันคู่ก็วันขี้นี่แหละ หรือใครจะไม่ตายครับนะแล้วชีวิตทุนนิยมมันเป็นยังไงใครยังทําตัวอย่างนี้อยู่บ้างทํางานทํางานทางานกินก็ยังไม่รู้จักเวลาเวลากินงานะเอาอะไรใส่ใส่ใส่ให้มันแค่อิ่มอิ่มท้องไปอิ่มท้องแต่สมองมันไม่ได้นะครับต้องเข้าใจมันด้วยนะวิถีเราก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราไปไหนเมาไหนเครื่องยนต์สองแรงไพลใช่ไหม เดี๋ยวนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงนะหลายแรงม้ากรุงเทพก็ไม่แพ้จีนหรอกครับไม่แพ้กันนะจริงๆแล้วอาหารก็เปลี่ยนไปนะเราอาจจะควบคุมสภาพอากาศไม่ได้เราอาจจะควบคุมที่อยู่อาศัยไม่ได้เราคงจะย้ายมาอยู่ที่นี่ทันทีอาจจะไม่ได้นะครับ หรือบางคนก็ต้องจํามีความจําเป็นที่ต้องอยู่ในที่ที่ตนอยู่อากาศสิ้นวัล้อมในที่ที่ตนอยู่สักระยะหนึ่งแต่สามอย่างที่เราคุมได้แน่ๆคือหนึ่งอะไรครับอ่านพร้อมกันหนึ่งอาหารเหมาะสมอารมณ์แจ่มใสและออกกําลังกายสม่ําเสมอทําได้ไหมควบคุมได้ไหมได้นอ้อมีใครเอาปืนมาจาะหัวไหมว่าต้องกินอันนั้นต้องกินอันนี้ห้ามกิน น, นั้นห้ามกิน น, นี้ไหม ไม่มีนะครับสัตว์เขามีสัญชาตญาณในการกินนะแต่มนุษย์เนี่ยมีสัญชาตญาณก็ <c oughs> เลยจะแย่นิดนึงนะอาหารเหมาะสมขอแบ่งเป็นสามหัวข้อเรื่องที่หนึ่งชนิดเหมาะสมเอาชนิดเหมาะสมก่อนไอตรงข้างหลังสามอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันชนิดเหมาะสมเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่มันแปลว่าอะไรเหมาะก็เราไม่เหมาะก็เรา ยุงตัวผู้กินอะไรครับกินน้ำหวานยุงตัวเมียกินอะไรกินเลือดแลกกันได้ไหมไม่ได้มีคัโลกกินปลามีแพนดากินไม้ไผ่แลกกันได้ไหมให้วัว ก, กินเนื้อให้เสือกินหญ้ามีแพนดากินประทูได้ไหมไม่ได้เนาะก็หมีเหมือนกันทำไมแลกกันไม่ได้ทีนี้แต่ละคนก็มีความต่างกันอยู่ในระบบการย่อยการดูดซึมระบบภูมิต้านทานนะครับ ซึ่งถ้าใครเป็นภูมิแพ้ชนิดที่เป็นภูมิเพี้ยนเป็นโรคภ่มพวงเป็นรูมาตอยเป็นไทรอยเป็นพิษอันนี้ต้องตรวจเลือดดูเลยว่าอะไรไม่เหมาะกับเราก็คือตรวจจากเลือดเราเลยว่าอะไรที่ไม่เข้ากับอาหารอะไรที่ไม่เข้ากับเลือดเราแต่ถ้าทั่วไปไม่ได้ตรวจก็เอาที่เขาวิจัยมาสองชั่วยุคนอาหารตามหมูเลือดอันนี้หนังสือเล่มที่สามกำลังเขียนอยู่นะครับ ลงพิมพ์ก็เล่งยิกยๆ ย, ก, ยกบอกเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวก็เสร็จภายในสองวันไม่วันคู่ก็วันขี้นี่แหละนะหมู่เลือดแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะเราสัมผัสกับอาหารตามยุคสมัยต่างกันนะครับก็เลยเกิดปฏิกิยาเขาเรียกว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีคือภูมิต้านทานมันต่างกันไปอย่างกรุ๊ป A อเนี่ยอาจจะต้องกินอาหารเกือบมังสวิรัตอันนี้คร่าวๆนะ เกือบมังสวิรัตแปลว่าอะไรเนื้อสัตว์มันจะย่อยไม่เป็นนะครับแต่ถ้ากรุ๊ปโอต้องกินเกือบมังสวิรัติคือกินเนื้อสัตว์เป็นเยอะหน่อยแล้วก็กินผักใบเขียวไม่เตรี้ยวไม่แป้งไม่ปั ง, ไ ม, ปงไม่มันไม่นมโอ้ไม่กิน <laughs> นะครับกินแต่ของชอบเดี๋ยวก็ไปที่ชอบที่ชอบหรอกนั่นที่ให้ไปที่ชอบที่ชอบเราไม่ไปแล้วก็กินตามกิจกรรมนะครับ ถ้าเรามาออกกําลังกายออกแรงทั้งวันนะครับเวี่ยงกันเป็นขวัญเรียมอย่างนี้นะรู้จักไหมเวี่ยงเป็นขวัญเรียมเชา้าสายบ่ายเย็นขวัญลงเล่นกับเรียมเห็นไนะ้มเวี่ยงสี่เวลาเช้าสายบ่ายเย็นนะครับก็กินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตซะหน่อยแต่หลักการก็คือเช้ากินเท่าไหร่กลางวันให้เหลือคาร์โบไฮเดรตครึ่งหนึ่ง เย็นให้เหลืออีกครึ่งหนึ่งของกลางวันกินด้วยความรักกินแบบไอ o v ิ y ยูนะครับคือโครงการหารสองแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพบางคนกินยังกระปล่นออกแรงย่างกระยองเบาไม่ใช้กำลังเลยนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เที่ยงเลี่ยงแป้งเพราะแป้งกินมากแล้วมันจะไปสะสมทำให้เกิดเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์คเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์คเลสเตอรอลมาจาก คาร์โบไฮเดรตที่กินเหลือแล้วใช้ไม่หมดนักวิชาการการแพทย์ทั้งหลายอย่าได้ไปแนะนำคนไข้นะครับว่าห้ามกินไข่แดงซีฟูด้ดเพราะว่ากลัวคเลสเตอรอลอย่าชวนะาจะเอาหนังสือชีวเคมีทุ่มใส่หัวโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมเนี่ยถ้าใครแนะนำนะโดนมันไม่ได้มาจากคาร์โบไฮเอมันมาจากคาร์โบไฮเดรตไม่ได้มาจากไข่แดงกับอาหารทะเล และคลเลอเลสเตอรอลก็ไม่ใช่สารพิษที่ไปทําให้เกิดเรื่องคเอเลสเตอรอลเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนต้านอักเสบพอคุณมีการอักเสบร่างกายก็ผลิตวัตถุดิบต้านอักเสบเพิ่มแต่คเอเลสเตอรอลมันเป็นแค่เ้าเรียกว่าไทมุงเนาะแต่พอเห็นตัวเลขมันสูงโอโ้ไอเนี่ยไอเนี้ยโทษมันเลยเอามันออกแล้วไงอ่ะเหี่ยวดิฮอร์โมนก็หมดไวทองก็เป็นแพตตินั่เงินไป นะครับผู้ชายก็ต้องใช้ไวอาค้ากันเงี้บริษัทที่สร้างยาลดคลลอเลสเตอรอลนั่นแหละนะกินให้เหมาะนะครับชนิดเหมาะสมผ่านไหมไปค้นคว้าหากันอเองว่าอะไรกินแล้วไม่ย่อยอะไรกินแล้วเหนื่อยอะไรกินแล้วหมดแรงนะครับแล้วอยากกินนะวิธีเหมาะสมนะครับออย้อนไปชนิดเหมาะสมนิดนึงผมเขียนไว้ในหนังสือในการชีวิต พิชิตภูมิแพ้นะครับก็เป็นผลงานเล่มที่สองที น, นี้ก็มีวางขายอยู่ที่สหกรณ์นะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทําบุญหมดเหมือนกันนะวิธีเหมาะสมคือเคี้ยวนานๆเคี้ยวนานๆฟังไว้จําง่ายๆอาหารใดกินแล้วย่อยได้เป็นอาหารบํารุงเลี้ยงร่างกายอาหารใดกินแล้วย่อยไม่ได้ เน่าแล้วเน่าซับเน่าซ้อนเน่าซ้อนเงื่อนด้วยไสเรายาวเจ็ดแปดเมตรหนุ่นแล้วก็ร่างกายจะดูดสารพิษเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งภูมิต้นทานแปรปวนกลายเป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนมาเร็งนะครับปากเราย่อยแป้งด้วยน้ำลายกระเพาะเราย่อยโปรโตีนด้วยน้ำกรดกินแป้งเยอะแล้วกินเร็ว แป้งจะลงไปกองในกระเพาะสามชั่วโมงกว่าหูรูดกระเพาะจะยอมให้ไปต่อแล้วสามชั่วโมงในกระเพาะแป้งจะบูดเน่ามหาสารแล้วกลายเป็นแก๊สตีขึ้นสมองก็สั่งให้กระเพาะแก่ย่อยให้ได้กระเพาะก็หลังกดเพิ่มกลายเป็นปรดไหลย้อนตามแก๊สขึ้นมาแล้วคุณหมอทั้งหลายที่ได้ร่ำเรียนมาจากบริษัทยาไม่ได้จากตำราแพทย์ก็ให้ยาลดกรดไปกิน ต้นน้ำย่อยหมดเลยคานี้ไม่รู้จะย่อยตอนไหนแล้วชั้นก็เน่านานไปเรื่อยเลยกว่าจะออกมานะครับก็คิดเอาเองคำละสามสิบวินาทีน้ำลายย่อยแป้งได้แบคทีเรียดีเข้าไปจับไม่เนา่าทำไมลิงมันรีบกินจะตายมันแย่งกันมันต้องระวังซ้ายระวังขวายัดยัดยัดใส่ปากมันกลืนไหมไม่กลืนมันใส่โครงการแก้มลิงไว้ แล้วหาที่ว่างๆละเลียดทีละนิดแล้วเราจะกินเร็วให้อายลิงไหมนะครับก็ว่ากันไปเวลาเหมาะสมคือเน้นอาหารเช้าเดี๋ยวจะมาว่ากันในนาฬิกาชีวิตอีกทีหนึ่งเอานะอาหารชนิดเหมาะสมมาว่ากันปิรามิดอาหารรู้จักไหมนี่คือปริมาณอาหารที่แนะนําสัสดส่วนนะครับสมัยก่อนยุคอุตสาหกรรมนะเราต้องกินแป้งเยอะ แต่เป็นแป้งที่ไม่แปรรูปไม่ขัดขาวเข้ากล้องเข้าซ้อมมือทุกวันนี้เราโดนหลอกว่าขนมปังโฮลวีดฟังดีนะพวกวีดพวกเกรนพวกธั ญ, ญพืชเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะมาอัดแผ่นรสชาติจะเหมือนกินกระดาษลังแต่ของไทยเนี่ยจะเอามาใส่ไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ทำให้เป็นขนมปังฟูฟ่องผสมนมผสมเนยน้าตาลผสมยีสต์ด้วยฟูฟอดอะไรคนี้หอมเียวเย นะใส่กินกาแฟาไปนิดนึงโอ้โหต่อแถวไม่กี่โลไดนะ้เคยต่อดี <c oughs> อธิข่มนี่เคยต่อดินะแยกแยะดีๆนะครับอย่าโดนหลอกนะแต่ปัจจุบันนี้เราเป็นยุคอุตสาหกรรมเราไม่ใช้กำลังมลพิษเยอะขึ้นเราต้องกินสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นก็คือกินผักผ ล, ลไม้ถ้าอยู่พลันค่อยไม่มีมลพิษกิน ตามนี้ยอยู่แต่ถ้าอยู่กรุงเทพอาจจะต้องใช้ตัวช่วยคืออาหารเสริมบ้างแต่ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ น, นะครับอย่างแท้จริงเท่าที่ผมสอนมามีไม่ถึงสิบคนที่รู้เรื่องจริงๆสอนเป็นร้อยได้มาแค่สิบนะครับถ้าไม่กินอาหารเสริมควรกินผักผลไม้ให้ได้สิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักตัวในแต่ละวันหนัก50าสิบโลกินผักผลไม้ ห้าโลโหอย่าว่าแต่เคียวเลยครับคันเราจะกินหมดแล้วก็นะก็ว่ากันไปนะดูให้เหมาะสมนะครับเรื่องย่อยของเราวันนี้แชร์อีกทีนึงนะลำไส้เรายาวนะครับยาวมากเราเป็นพุงกระพุ้งด้วยสารพิษหมักหมมกันมากมายนะครับเพราะนั้นอย่า ก, กินเร็วให้อายลิงนะครับสามสิบวินาทีไม่ ต่อให้เข้าต้มหรือโจ๊กก็ต้องอยู่ในปากสามสิบวินาทีนะเพราะระบบดูดซึมเราเนี่ยรู้ไหมว่าไอ้ยาวเจ็ดแปดเมตรเนี่ยกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ในท้องท้ายแผ่ให้แบนๆพื้นที่ในการดูดซึมทั้งหมดนะครับที่มีการหยักตัวกันตลอดมาลำไส้เนี่ยมีพื้นที่ถึงสี่ร้อยตารางเมตรสารานี้เท่าไหร่ครับพ่อ สองร้อยกาตารางเมตรใช่ไหมครับเจ็ดสิบเมตรคูณสาสิบเมตรโดยประมาณตีซะว่าสองสล า, าคนหนึ่งอะใช่ไหมไม่ใช่เจ็ดสิบคูณสาสิบก็สองพันหนึ่งอ๋อหนึ่งในสี่ประมาณคนหนึ่งก็เกือบครึ่งศาลานะครับท้องเรานะท้องเราถ้าดูดซึมปกติจะผ่านเซลล์ถ้าดูดซึมผิดปกติจะผ่านช่องระหว่างเซลล์ เซลล์มันบวมก็ได้ของกระตุ้นภูมิต้านทานเข้าไปกระตุ้นนี่คือกระตุ้นให้เกิดภูมิเพี้ยนนะนะครับอันนี้นี่ตะเกียบนิตะกรในลำไส้ที่ลากออกมาจากการล้างลำไส้นะครับอันนี้ไม่ใช่ลำไส้ น, นี่คือเมือกที่อยู่ในลำไส้ <c oughs> คิดไม่ออกไปดูท่อน้ําอ่างล้างหน้าตัวเองอ่ะนะครับ อาการต่างๆเช่นปวดหัวไมเกรนเหนื่อยง่ายหดหูกังวลใจสมาธิสั้นคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้ลงฟางแผลในปากเรื้อรังปวดกล้ามเนื้อเมื่อตัวไม่สบายตัวนอนไม่หลับหลับไม่สนิทงุญหญ่หงิดลงแปลปวนเบื่อไม่ทราบสาเหตุไมเกรนซึมเศร้ามาจากการกินที่ไม่เหมาะสมทั้งสิ้นแล้วไปโรงพยาบาลก็จะยาอะไรก็ไม่รู้บอกว่าใครเครียดอย่างตัวอย่างสั้นๆครึ่งนาทีมีเด็กน้อยคนหนึ่งเป็นลูกของลูกน้องที่บริษัทพากันไปกิน อาหารกินอาหารเสร็จก็พาไปกินขนมเป็นเด็กเรียบร้อยมากอายุประมาณสามขวบนะครับนั่งเรียบร้อยคุยกันดิบดีพอกินอาหารไม่เหมาะเข้าไปเด็กคนนี้มีปริยากาัรนมแอบกินนมกินไอโกโก้เย็นของแม่มาใส่นมแป๊บเดียวเองครับโอ้โหวิ ญ, ญญาณลิงเข้าสิงมุดโต๊ะไปนูน่นไปนี่เอาไม่อยู่เลยนะครับสองชั่วโมงเต็มเต็ม ต้องอัดน้ํากินน้ํากินน้ํากินน้ ำ, นนำให้เขาปัสสาวะออกให้มันขับออกบ้างก็มานั่งเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นลูกใครนะที่สมาธิสั้นลองระวังอาหารนิดหนึ่งเขาจะดีขึ้นนะคิดไม่ออกก็เช็คอาหารตามคุปปเลือดนะครับคราวนี้อาหารเหมาะสมไปแล้วแป้งน้อยเคี้ยวนานเน้นอาหารเช้าเดี๋ยวจะบอกใหเคี้ยวเน้นอาหารเช้าเพราะอะไรอารมณ์แจ่มใส ในทางกายภาพเวลาเราเครียดปุ๊บสารเครียดมันทำให้น้ำตาลขึ้นปั๊บอย่าว่าแต่เครียดเลยนะครับติดละครน้ำตาลยังขึ้นอ่ะไอช่วงละครเครียดๆพวกแรงงงแรงเ ง, งานี่คนไข้ผมเอาไม่อยู่เลยนะน้ำตาลขึ้นกระจาย <c oughs> ตอนกีฬาสีกรุงเทพรู้จักไหมกีฬาสีกรุงเทพเสื้อเหลืองเสแดงอะครับฝ <c oughs> รั่งเขาเรียกบางกอคเกมส อ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่งมางก็เปล่านะบางตอกคาลเร์เกมครับเครียดมากความดันน้ำตาลกระจุยหมดเอาไม่อยู่สักลายเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าห้ามกดธห้ามว่าห้ามด่าใครไม่ควรดูละครน้ำเน่าไม่ควรดูข่าวการเมืองเท่านั้นเนี่ยเส้นเลือดหดตัวทันทีทำให้เส้นเลือดไปเรี้ยงสมองไม่พอสมองถูกทำลายพระพยอมท่านเลยบอกว่าโกรธคือโง่ โง่โดยปริยายโง่โดยกายภาพโง่จริงๆเพราะสมองสู่ทำลายนะครับเราดลมหดตัวย่อยไมด่ดีน้ําตาลขึ้นภูมิตกวิจัยกันเยอะมากนะแล้วถามว่าอารมณ์เป็นจริงหรือสมมติที่เราโกรดนี่โกรธจริงหรือสมมติแหมงงอะดิอารมณ์ติดห่วงความคิดครับความคิดติดห่วงภาษาแน่จริงด่าเป็นภาษาฮิบรูให้ฟังหน่อย แน่จริงโกรธเป็นภาษาละตินให้ฟังหน่อยทําได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นสมมุติอย่าไปหลงสมมุติบางคนทําบุญได้เป็นล้านแต่อภิญญาทานไม่ได้แปลกเนาะนะครับมันส่งผลทุกระบบฮอร์โมนเพี้ยนหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นมะเร็งได้ง่ายนะคนที่มีตรวจพบมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะระยะไหนก็ตาม ถ้าไปตรวจพบเนี่ยย้อนประวัติย้อนหลังได้เลยมีมะเร็งในอารมณ์อยู่ช่วงหนึ่งภายในปีที่ผ่านมาไม่สามเดือนหกเดือนประมาณนี้นะครับเกิดความเปลี่ยนแปลงที่รับไม่ได้เกิดการทำใจไม่ได้เกิดความเครียดจิตตกอย่างรุนแรงนะฮะอันนี้คือภาพจากหลวงพ่อจำเนียนวัดท ร, รเสือจังหวัดกระบี่ท่านสอนอริยมรรยผลทางสายกลาง เวลาที่เราเจอเ ร, เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเราก็จะเกิดความไม่อยากเจอใช่ไหมครับเขาเรียกว่าวิภาวะตัญหาถ้ายังเจออีกจะเกิดขุนเกิดเคืองเกิดขุนขุแล้วก็จะโกรธถ้ายังเจออยู่ก็โกรธเนาะเราแก้ได้ด้วยอภิญฐานนะครับแม้แต่คนที่เราไม่ชอบขี่หน้าที่สุดยังทำให้เรามีความสุขได้ตอนนี้เขาไม่อยู่มีความสุขไหมเห็นไหม แต่ฝั่งที่น่ากลัวที่พ่อครูบอกนะครับเมื่อสักครู่ก็คือฝั่งนี้เจอสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่คิดว่าดีก็อยากเจอเป็นการมาตัณหาภะวะตัณหาเกิดไลคิงเกิดความพึงพอใจในการได้พบเจออีถารมเกิดขึ้นอยากเจออีกเรียกว่าโลภโลภอยากเจออีกนะครับต้องตอบนศการถามหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายว่าเคยไม่มีโยมมาทาบุญแล้วบอกหลวงพ่อฉันหน่อยสิ ยุให้พระฉันอยู่นั่นแหละฉันหน่อยหน้าฉันหม่อยหน้าหลวงพ่อยักหน้ามีไว้ฉันหน่อยสิทําเองสุดฝีมือเลยนะเนี่ยอร่อยนะพระฉันไม่ได้พระยกไปให้ลูกศิษย์มองตามไปแล้วบุญกูตกลงจะเอาหรือจะให้เอาให้ดีนะครับแล้วก็หลายคนพอคิดว่าดีก็ไปเพ่งโทษผู้อื่นอย่างที่พ่อครูบอกสักครู่กินเจเอาใจเจ้านุ่งขาวนินทาคน ฉันกินเจฉันบริสุทธิ์ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ฉันไหว้พระอาหารที่กงนะกินเหล้ากินเนื้อสัตว์เอ๊ะยังไงงงไหมนะครับแล้วบอกกุสโลบายเจ้ามาลงมาตัดสินมนุษย์ว่าจะโอ้ยทำดีไม่ดียังไงแล้วไปถวายเงีเสียนฮ่องเต้ทำชั่วทั้งปีทำดีสิบวันเจ้าไม่งงนะครับอย่าดูถูกเทพเจ้านะเทพเจ้าไม่งง นะท่านพุทธทาสท่านยังบอกว่าชั่วหรือดีอปรีพอกันชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาใครชื่นชมเรื่องของเขาน้อมรับขอบคุณครับตามสมมติบัญญตัติแต่ไม่ฟูใครชิงชังขอโทษทับแต่ไม่แฟบไม่ฟูไม่แฟบชีวิตที่มีแต่ฟูกับแฟบมันจะไปไหนนะครับถ้าฟูมากก็สวรรค์ถ้าแฟบมากก็นรกเอาอะไรเลือกเอาถ้าฟุ้งมากก็เดชะนเอาอะไรเลือกเอาไม่เอาสักอย่างนะ ไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับทางสายตรงมาตรงๆแล้วก็ไปตรงๆอย่าไปเลี้ยวอย่าไปอ้อมเลี้ยวมาเยอะแล้วนะข<ช>้อสุดท้ายการออกกําลังกายถ้าอยู่พลังข่อยไม่ห่วงออกกันสนุกมากนะครับ <S <S ถ้าเป็นการออกกําลังกายจริงๆที่เราต้องการสําหรับการมีชีวิตอยู่ในเมืองก็คืออย่างน้อยสามสิบนาทีไม่เกินชั่วโมงหนึ่งพอถ้าใครสามสิบนาทีไม่ไหวพยายามให้ได้ครึ่งชั่วโมง นะครับก็จะได้ผลเท่ากันนะครับขอบคุณครับนตอนเช้าเราตื่นมาที่มาเช็คเช็คเช็คเชคเนี่ยเราได้ออกแล้วมันเบิร์นหัวใจเต้นถึงร้อยยี่สิบโดยประมาณถ้าสวอว์ก็ประมาณร้อย้อยสิบก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ได้เผาผลาญแล้วโยคะก็ได้ใครเข้าจิตเล่นโยคะเล่นเลยเข้าไปในจิตเล่นโยคะเลย หมอหลายคนนะครับมีอัตราตัวตนฉันรู้เยอะโหยโยคะมันไม่ได้เผาผลาญโยคะมันแค่เหยียดยืดนู่นนี่นั่นคนไข้ามาถามผมก็เลยตอบกลับไปด้วยคำเคารพมึงเล่นเป็นเปล่า <laughs> มึงเคยเล่นไหม <laughs> หุยเค็กหัวตาการเส้นหัวใจกดไปร้อยสามสิบท่าสุริยะน้ำมการเป็นเบื้องต้นนะครับเห็นไหมต้องลองนะักวิทยาศาสตร์ต้องลองครับไม่ลองอย่าไปบอกเขา นะไม่วิจัยอย่าวิจาร์นะถ้าก่อนค่ำใครอยากเป็นนาฬิกรมยำเล่นเวทอาทิตย์ละสองวันพอนะก็คือนาฬิกาชีวิตนะครับตามที่พระอาทิตย์ขึ้นตกพาะครูบอกพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นพระอาทิตย์ไม่เคยตกโลกหมุนไปหาพระอาทิตย์แต่มนุษย์คิดตู่เอาคิดตู่ไว้ก่อนไม่ให้งงพอาทิตย์มาแล้ว สัญญาณโลกกระดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตได้หลังฮอร์โมนนะครับตอนดึกๆึกนี่เห็นไหมสวดมนต์ทำสมาธิทำไหมสวดมนต์ไหมทำแล้วก็พลังงานรวมทำให้ร่างกายอบอุ่นดื่มน้ำก่อนเข้านอนจิตนึงหลับพักผ่อนทีหนึ่งทีสามก็พอแล้วพระบาทเด็จเจะอยู่หัวท่านบรรทมแค่เนี้ยทั้งพระชนชีพพระพุทธเจ้าท่านก็ยืนปฏิัิ ม, มยามแค่นี้นะครับ ตี3ามตีห้ามาเอ็กซ์ไซร์ปอดอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านตื่นตีสี่มาสวดมนต์ธวันเช้านะครับตีห้าถึงเจดโมงลำไส้ใหญ่ก็คือตีห้าขับทายแล้วไปขับเหงื่อเห็นลายมือนะครับถ้าเป็นทางข้างนอกก็พ้าท่านก็ออกบินทบาท Morning Walk กันนะครับมีเล่นเวทมาด้วยอุ้มมาลูกหนึ่งเดินไปเรื่อยเลยร้อนก็ร้อนหนักก็หนักนะครับโยมก็โอยจบนานแล้วเกินไม่เห็นใจพระเลย นะแล้วถ้าของเราหกโมงเราก็เห็นลายมือเราก็มาแล้วใช่ไหมมาเขย่ากันแล้วนะเจ็ดถึงเก้าโมงนี่ไงเซลลเราตื่นแล้วเราขับพิษแล้วเราต้องการพลังงานไหมต้องการถ้าเติมได้เหมาะสมถูกต้องเพียงพอตามที่สมองสั่งมาแล้วแถมมีพลังจากศรัทธาที่คนทำทําให้กินด้วยเนี่ยหูได้พลังมากมื้อเดียวอยู่ได้ ครูบาอาจารย์ที่ท่านฉันมือเดียวท่านอยู่ได้เพราะอะไรนะครับเคยไปกินกับหลวงพ่อนิวัดที่วัดม่อนฤษีข้าต้มครึ่งถ้วยกับข้าวน้อยๆสามอย่างอยู่ยันบ่ายสามยังไม่หิวถามว่าพระอาจารย์เกิดขึ้นเพราะอะไรพระอาจารย์บอกว่าญาติโยมถวายด้วยศรัทธาเดี๋ยวนี้กินพลังงานเป็นอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวสองร้านล้านหนึ่งคนทําใจบุญทํำลงเจลงทานอีกร้านหนึ่งขายแบบเอาตังค์อย่างเดียว ไอ้ร้านเอาตังค์อย่างเดียวอร่อยอร่อยแต่กินแล้วตายทุกทีกินแล้วนอนหมดแรงไม่กินอีกเลยนะครับลองไปสองทีไม่กินอีกเลยแต่ร้านที่ทำบุญทำารงเจนี่อร่อยน้อยหน่อยแต่ได้พลังอยู่ได้นะครับถ้ากินได้เหมาะสมถูกต้องเพียงพอสมองบอกว่าพอแล้วก็จะอยู่ได้ถ้าเย็นจำเป็นต้องกินเพื่อสังคมก็แค่พอสังเขปไม่ให้กระทบสังขารอยากกินแป้ง นะครับแต่ถ้าจะมาขย่ากินหน่อยนึงเดี๋ยวไม่มีแรงจะขยา่านะแต่ถ้าไม่กินละ่ะเกิดอะไรขึ้นสมองบันทึกว่าขาดพอบันทึกว่าขาดปุ๊บหนึ่งสั่งให้สะสมสองสั่งให้ดูดของเก่าในลำไส้มาใช้พองพลางก่อนพูดง่ายคือเช้าไม่กินอาหารก็รับประทานอุจจาระโดยอัตโนมัติคิดเอาเองจะกินอะไรจะเตื่นกินข้าวหรือจะนอนกิน โอ้ขอบคุณครับนะ <N> ประมาณนี้คร่าวๆดูเอาด้วยแสงด้วยแสงอาทิตย์กระทบกับต่อมต่า ง, างๆกระทบกระดวงตากระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนนะครับแล้วก็ผลังเขาก็รู้ว่ามันมีหลั่งฮอร์โมนต่างๆอ่ะเช้ า, ชาเติมพลังเพราะบ่ายเผาผลาญดื่มน้ำเยอะๆนะเหงื่อออกโอ้เวียงสองชั่วโมงเหงื่อออก พอตกค่ําถ้าไม่ได้เข้าไปในจิตอย่าออกรำลังกายเพราะร่างกายจะเอาสารอาหารไปซ่อมเซลล์นะครับแต่ถ้าเข้าจิตจิตจะรู้แล้วจะเอาสารอาหารไปซ่อมเซลล์ให้เรานะตอนดึกขับพิษต้องหลับมีแค่นี้เองเครื่องยนต์สี่จังหวะมีสองวิธีอ้อสามวิธีที่จะไม่ทําตามเงื่อนไขของธรรมชาตินี้ เงื่อนไขนี้หมอไม่ได้ตั้งนะครับเงื่อนไขนี้ธรรมชาติตั้งหมอไม่ใช่เทวดาไปเสกให้คุณหายหมอเป็นแค่ผู้ชี้ทางหนึ่งเข้าไปอยู่ในจิตตลอดเวลาแล้วคุณจําไม่ต้องทําตามเงื่อนไขนี้ก็ได้เพราะจิตจะรู้เองทําเองสองมีพารกิจเของตัวเองและสามย้ายไปอยู่จั ก, กรวาลอื่นซะถ้าไม่อยากตื่นเช้าไม่อยากกินอาหารเช้านะครับทําได้ไหมง่ายไหมต้องกินอาหารเช้าในเรือดนดาน้ํำไหม ต้องไปออกกำลังกายบุญญาณอาวกาศไหมไม่ต้องเนาะออสามข้อแค่นี้ชิวๆทำซะห้ามสื่นสายห้ามอด อ, อาหารเช้าออกกำลังกายทุกวันแป้งน้อยๆเคี้ยวนานๆอยู่พรลรานข่อยทำได้ตลอดนะครับ mm hmm. ก็เลือกเอาเองว่าจะอยู่ยังไงนะที่เหลือก็ตัวใครตัวมันนะครับท่านหลายท่านบริหารธุรกิจได้เป็นร้อยล้านหวังว่าคงจะบริหารชีวิตตัวเองได้ ไม่กลายเป็นบิลเลเนีย the w h e วิ c h ชร r หรือเศรษฐีมรถเข็นนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดอายุไขกลกายฟิตจิตเฟิร์มแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันธุ์ทุกคนทุกท่านเทินครับขอบคุณครับ อีกนิดหนึ่งรอเวลานิดนึงพวกคูมาขัดทับหน่อยหนึ่งคืนนี้เอาเป็นว่าเ ป, เป็นคืนที่เรามาเสริมทักษะกันนะเรื่องจัดแจงกับชีวิตเราเนี่ยที่คุณหมอเขาก็ให้ข้อคิดนะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะทำได้ทุกวันแต่ที่เราทำไม่ได้นะันเพราะกิเลสเรามันไม่ยอม ยังทำดีเหมือนกันทำง่ายง่ายใช่หละชั่วก็ง่ายง่ายนะอย่างสินห้าอันนี้ก็ไม่ทานี้ก็ไม่ต้องทำไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดปดไม่ผิดศีลไม่ลักขโมยเห็นไหมง่ายไหมไม่ต้องทำอะไรเลยใช่เออง่ายมากใช่ไยังออกกำลังกายนีย่ก็ง่ายไงไป ไปเดินไปวิ่งไปอะไรไม่ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้ชุดท้ายนะักกิเลสมันเป็นเพราะกิเลสเรานะแล้วก็กิเลสเนี่ยทำร้ายตัวเองกิเลสทำร้ายตัวเองพวกครูก็ให้ข้อคิดกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้เปรต เ, เนี่ยไม่ใช่ง่ายถ้าทุกคนมีทิพยญาติจักษุนะ มีญาณรู้นะนั่งอยู่ข้างๆเราเนี่เต็มไปหมดเลยนะเขาลองมาเกิดแทนเราอะนะบางคนมาพ่อครูที่นี่มีผีไหมใครเคยเห็นผีบ้างยกมือขึ้นเห็นไหมกลัวผีกันหมดเลยบอกอย่ากลัวนะเราเป็นผีมาหลายรอบแล้วเห็นไม เราเคยเป็นผีมาหลายรอบแล้วผีก็คือวิญญาณนั่นแหละแล้วลในผีในตัวเราก็มีผีนะในตัวเราผีผีก็คือวิญญาณอย่างหนึ่งคือเป็นจิตที่เขาเรียกว่าที่เขายังไม่ได้เกิดเพื่อบิน ญ, ญาณล่องลอยอะไรก็ช่านงะบางทีเราไปมองเห็นผีเห็นผีเนี่ยเพราะว่าช่วงจิตเราตกเนี่ยมันสื่อขึ้นกันนะนะมันกลายเป็น มันเป็นอุปทานนะผีหลอกมันหลอกมันไม่จริงมันเป็นผีหลอกไงนะเราหลอกเราเองนะเราหลอกเราเองนะถ้าพูดถึงไม่มีที่ไหนหลอกไม่มีผีไม่ยถึงว่าดินแม้แต่ละเม็ดหนึ่งเนี่ยไม่มีเม็ดไหนไม่เคยเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ เวลาเราไปตายเราไปเผาเห็นไหมเราเผาปุ๊บกลายเป็นอากาศาธาตุที่เีว่าเป็นาธาตุดินแต่วิญญาณมีไหมมันก็มีแหละถ้าไม่มีวิญญาณความมีชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้พอร่างกายนี้มันสักว่ามันตายเรียกว่ามันตายไอ้วิญญาณทิ้นออกจากร่างเนี่ยถกติเป็นวันที่ไม่ใช่วันเราตายนะเป็นวันที่จิตเกิดใหม่บางทีเกิดไปร่างมนุษย์ทันทีเลยเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉันไปเป็นเทวดาทันทีหรือเป็นวิญญาณล่องลอยก่อน บันทีก็ไปเป็นสัตว์นรกวันที่เราตายเนี่ยเป็นวันเกิดใหม่นะแต่ช่วงที่มันล่องลอยอะไรอยู่เนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่คนละมิติเทวดาก็อยู่ตรงนี้แหละนะเออไอ้ที่เรียกว่าผีผีผีนั่นสังเกตไหมว่าถ้าเราคนคนไทยเราเห็นผีเนี่ยผีลักษณะออกเป็นแบบแม่นาคปกะโณง ถ้าฝรั่งเห็นผีนี่มันออกมาในรูปแบบแด็กคูล่าทำไมไม่เห็นผีเหมือนกันเห็นหั้ยมันเป็นอุปทานของเราไงนะมันผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงมันหลอกเราหลอกตัวเองมันเป็นอุปทานของเรานะที่คนฝึกจิตนานๆเขาบอกว่าเราเห็นในมิตน่นเห็นน่นเราเห็นจริงๆเลยเออเราไม่ได้หลอกคนอื่นเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริง ไม่เป็นอุปทานก็ความกลัวทําให้เสื่อมตอนเด็กๆ เ, เราถูกผู้ใหญ่เนี่ยใช้อุบายว่ากลางคืนมืดแล้วอย่าออกไปข้างนอกนะ ล, ลูกผีมันชุมเอาผีมาขู่เราอย่างนี้ไหมกลางวันอย่าไปไหนในที่ตำรวจจับกลายเป็นว่าเราก็กลัวตํารวจโดยไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วต้องเจอตํารวจมันต้องอุ่นใจใช่ไหมตอนนี้เห็นตํารวจปุ๊บสะดุ้งเลย ก็แปลกนะทำไมธรรมากลายเป็นความเคยชินขับรถไปถ้าเจอตำรวจเบิกมือแล้วเนี่ยใจไม่ดีเลยใช่ไหมแทนที่จะดีใจนะโอ้โหเจอผู้พิทักษสันติราษ น, นะมันมันทำไมรู้สึกอย่างนั้นล่ะมันไม่ต่างอะไรที่เรากลัวผีนะเราถูกใส่มาตั้งแต่เด็กเลยเห็นไมเออพอเดินออกไปมืดๆเนี่ยพอคนบอกผีๆีีเนี่ยวิ่งไม่ออกเลยทำไม ไม่มีแรงนะพวกคูชีให้พวกคุณหมอฟังนะอันนี้เรียกว่าโลกอะไรโลกอุปทานอารมณ์ของจิตเราเนี่ยมันส่งผลตั้งกายภาพบางคนไม่ใช่วิ่งไม่ออกเฉยๆเนะ่เป็นลมเลยนะเป็นลมเพราะกลัวผีเห็นไหมทำไมไมันถึงเป็นแบบนั้นนี่แหละเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องโลกอุปทานเนี่ย ถ้าพ่อครูให้คะแนนนะโครคภัยไข้เจ็บเนี่พ่อครูให้คะแนน 10% โรคอุปทาน90สมมติว่าเราเจ็บเจ็บเจ็บเราโดนพึ่งต่อยตรงนี้เราจะวิ่งไปทายาหม่องระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาเลยไอ้ตัวนี้หายมาเจ็บอยู่ตรงนี้ถ้ามันเจ็บจริงๆมันต้องขาไม่หายสิ พอกำลังเจ็บขาอยู่เห็นลูกตกบันไดบ้านหัวแตกเนี่ยตรงนี้ก็หายด้วยมันไปเจ็บอยู่ที่หัวลูก <c oughs> เจ็บใจวิทยาศาสตร์เราละเลยโลกอุปท า, านนะอย่างคุณหมอสมัยก่อนเนี่ยสมัยในเมืองไทยเรียกว่าปูชนียบุคคลพว ก, กูเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ถ้าวงการหม อ, อยังทำอย่างนี้ต่อไปอยู่เนี่ยต่อไปคุณหมอจะถูกฟ้องถ้าเป็นธุรกิจมากเกินไปคุณหมอกลายเป็นแมคชีนิกเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์เท่านั้นเองรับจ้างซ่อมเครื่องบนถ้าซ่อมผิดเขาฟ้องเหมือนเมืองนอกพราครูเคยอยู่อเมริกาผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยคุณหมอกันคุณหมอสุธีมาจากบุตรหานบอกทำไมพ่อครูรู้ล่วงหน้า ตอนนี้เขาไม่ให้ผมเป็นหมอแล้วหมอกรณ์เกแกลาออกจากราชการแกเปิดคลินิกหมอกันตอนนี้เขาเปลี่ยนระเบียบใหม่ต้องไปเปลี่ยนคลินิกนายแพทย์กันเป็นธุรกิจการแพทย์เพราะไม่รู้ว่าเปลี่ยนทําไมนะเพราะคาว่าหมอนี่มันอาจจะมีหมอดูหมอเดาหมอนวดหมออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นแพทย์ เป็นธุรกิจการแพทย์ตอนนี้ความขังความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความเป็นปูชนอยู่บุคคลเนี่ยมันหายไปหมดที่นี่พ่อครูเคยเจอนะญาติธรรมมาฟรีบัตเนี่ยพึ่งยาประสาทไงเขาพึ่งมาครั้งแรกเขาลืมเอามาพบเอียงปุ๊บอาการมันกำเริบกลัวมากเลยมันไม่ได้เอายามาเนะบังเอิญพ่อครูก็ไปช่วยเขาที่แรกกระตุ้นให้มันลืมตัว น, นั้นมันก็ผ่านไป เดี๋ยวจะพักดึงมันเป็นอีกตอนนี้นบอกว่าพาไปหาหมอพาไปหาหมอมันไม่มียามามันกลัวตายนะก็ให้คนที่นี่ขับไปโรงพยาบาลแค่ไปถึงโรงพยาบาลเห็นโรงพยาบาลลงจากรถมันหายแล้วเพราะมันอุ่นใจไงมันใกล้หมอทั่นอันนี้เขาเรียวกว่าโรคอะไรที่มันกลัวตายกลัวตายก็เป็นอุปทาน เห็นไหมแม้กระทั่งอัมพาสนี่นะเคยมีลูกพี่ลูกน้องพ่อคูเป็นหมออยู่ไต้หวันนะ่ตอนมาจากอเมริกาใหม่ๆพ่อกูก็แวะเขาก็เป็นอมมพาสเป็นหมอนะคุณหมอเป็นอมมาภาสพ่กคูก็ไปพาเหวี่ยงพาเหวี่ยงก็ถ่ายวีดีโอไว้ตอนเหวี่ยงเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเหมือนเป็นคนไม่เป็นอะไรเลยปกติยืดออกมาไม่ได้นะพ่อกรูก็ถ่าย ถ้าเป็นอมตจริงๆตอนอยู่ในจิตทำไมมันหายล่ะมันต้องไม่หายสิมันเป็นโรคอุปทานทีนี้แกดีขึ้นดีขึ้นพ่อคูก็พาพาไปเดินห้างกันพ่กคูใช้อุบายพาแกคุยเรื่อยๆๆอแกลืมมากกเป็นอมตแกเดินเฉยเลยพอไปถึงบันไดเลื่อนน่ะนะปึ๊บเป็นอีกอันนี้เรียกว่าโรคอุปทาน เหมือนเรากลัวผีน่นละ่ะกลัวจนเราเดินวิ่งไม่ได้กลัวจนเป็นลมเราละเลยเรื่องนี้มากนะแต่ใกล้แล้วละ่ะใกล้กลครั้งแรกหกปีก่อนพบคุณหมอบรรชาเนตที่เชียงใหม่พ่อครูไปแกไปรับพ่อครูที่ที่สนามบินเป็นครั้งแรกที่พ่อครูออกจากถ้ำยี่สิบปีไม่ไปไหนนะงานแรกก็ไปเชียงใหม่ อัอื่นงานแรกก็คุณหมอเป็นรับพวกูที่สนามบินพาไปกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันคุณหมอบอกว่าคุณหมอมาในทางโฮลิสติกนะรักษาแบบองรวมพรกะคูกระถามคุณหมอบัญชาว่าองรวมมันหมายถึงยังไงแกบอกว่าแกดูทั้งร่างกายเลยทุกวันนี้หมอเป็นยังไงเป็นสเปเชียลไลใช่ไมเออสมัยก่อนพวกคูเด็กๆยังจำได้อยู่เขาตัดคอเออหมอก็ ตาหูคอจมูกใช่ไหมเห็นไหมตอนนี้มันเยอะเกินไปเอาหูอย่างเดียวเอาตาอย่างเดียวเอาจมูกอย่างเดียวเอาปากอย่างเดียวเอาตับอย่างเดียวเอาเอาปอดอย่างเดียวแล้วเก่งอย่างเดียวไงแต่ตอนนี้ตาตาอย่างเดียวไม่พอต้องตาซ้ายตาขวาหูซ้ายหูขวาต้องสเปเชียลอะไร <c oughs> มันแยกส่วนไงแต่คุณหมอบอกว่าคุณหมอองรวมทั้งหมดเพราะครูว่าไม่พอนะคุณหมอต้องเอาจิตร่วมไปด้วย อุปทานมันอยู่ที่จิตเราเงินคุณหมอท่านมีมีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติเลยคุณหมอฝึกไทยเก๊กสายดำนะสายดาแต่พอเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยจิตมันพัฒนาดึงคุณหมอไปไปถึงขั้นเขาเรียกว่าบ่อเก๊กคือไล่ขบวนท่านี่คือภูมิปัญญาของจิตเห็นไหม วิชาที่เราเรียนมาที่ว่าเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งเอ๊ะมันจะหายหรือเปล่าวิชาเราเรียนมาอมีฝรั่งคนหนึ่งคนหนุ่มมาเบี่ยงที่นี่พราะูบอกเบี่ยงทิ้งเขาบอกว่าเขาเบี่ยงทิ้งแนละ้วเขาจะจําแม่เขาได้ไหม <c oughs> ไม่ใช่วิชาที่เราเรียนมามันไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะบูรณาการเนี่ยให้มันก้าวหน้ามันจะดึงให้เราก้าคิดนอกกรอบกล้าทําในท่าที่เราไม่เคยฝึกเพราะจิตเดิมมันฝึกมาแล้วเห็นไหม มันมีนะคนที่เขานอนหลับเนี่ยบางทีกลางกลางดึกเขาบอกว่าผีมันมาบอกว่าให้ผสมสมุนไพรอย่างนั้นอย่างนี้นะรักษาโรคนี้นะเออเขาก็ไปลองทำดูไปต้มปุ๊บกินแล้วมันหา ย, ยางไงก็บอกยาผีบอกมันไม่ใช่ผีที่ไหนนะจิตเดิมเราไอ้ปัญญามันอยู่ข้างในจิตเราเนี่ยมันมีหลายภาคเรารีวายเข้าไปหลายภาค สมัยเราเกิดเป็นลือสีฝึกโยคะสมัยเราเป็นวัดเศ้าลิ้นสมัยเราเป็นโน่นเป็นนี่เราเป็นมาหมดแล้วนั่นหละคือตัวปัญญาปัญญาเกิดจากประสบการณ์จริงๆ